ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องรักษาอุโบสถปั่นจุปูสถิกะชาโดโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่20สมิถุนายน2538ันาณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาบัด น, นี้ค่ะ การถืออุโบสถรู้หรือเปล่าอุโบสถไหมความว่าไงก็คือการให้รักษาศีล น, นะถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยก็มักจะหมายถึงศีล8แต่จริงๆแล้วก็หมายถึงว่านั่นแหละการรักษาศีลจะศีล5จะศีล8ปศีลสศีลพระปฏิโมกก็แล้วแต่แต่นี้โดยทั่วๆไปเวลาเขาพูดกันเนี่ยเขามักจะจะอะไรอะ พวกอุบาสกอุบาสิกาวันพระก็ไปอยู่วัดใช่ไหมแล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ถือศีล8เพราะนั้นเลยส่วนใหญ่ก็เลยมักจะกลายเป็นว่าอุโบสถศีลก็คือถือศีล8ปวันไหนส่วนมากก็ถือกันวันพระวันพระก็8ดข้ามสบห้าข้าหรือบางที14บ่ข้าอะไรนะ ก็ถ้าเขา้าพรรษาก็ตลอดแต่ถ้าถ้าธรรมดานี่เขาเขาก็ไปไปวันพระนี่แหละบางทีไปนอนค้างเหมือนกันพวกผู้ใหญ่นะพวกคนแก่ผู้ใหญ่แต่เดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีแล้วต่ยังหวัดนะยังพอมีอยู่นะกรุงเทพนี่วันพระก็ไปดูหนังนะไปห้างเดินห้างสรรพสินค้า เรามายังรู้สึกว่าเออแต่ก่อนเนี่ยคนรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่หน่อยมันพระเนี่ยไปวัดเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ก็แปลกอีกนะบางทีลูกลูกไม่ค่อยไปอะ่ะหมายถึงลูกที่โ ต, โตเอาล้านไปเอาเด็กไปเอานอนเป็นเพื่อนใช่แปลกนะพวกคนหนุ่มสาวไม่ค่อยไม่ค่อยยอมไปมีคนแก่แล้วก็คนแก่พาเด็กไปอีกทีเด็กเล็กอะ่ะ มันคงเป็นความน่าเบื่ออย่างนึ้งของของคนรุ่นเดี๋ยวเนี้ไม่ค่อยชอบไปฟังเทศก็ง่วงนอนแล้วก็ยังไงก็คนแก่ไปเจอกันก็ไม่มีอะไรคุยนุ่นคุยนี่อ่าเผลอๆก็ไปขายของนะหรือไม่ก็เอ้าไปเกี้ยวหมากตำหมากเกี้ยวกันจับจับจับคนหนุ่มสาวเลยเบื่อ เลยไม่ค่อยอยากจะไปเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวไปนะแสดงว่าจะต้องมีพลังของความศรัทธานเนี่ยสูงถึงจะไปทุกวันนี้มาอย่างนั้นแล้วยากนะโอคาก โ, โ, โอ้โโอคากเขาก็ไม่ไปหรอกเขาไปที่อื่นข อ, อ, อ, อพวกผู้หญิงสิ่าหมายถึงว่าพวกผู้ชายเขาไม่ไปหรอกพวกผู้หญิงเขาไป แต่จริงๆแล้วก็ยังดีนะดีกว่าที่จะโอ้ยไปเที่ยวหาทางออกโดวยวิธีอื่นไปลงหนังลงละคอรอะไรจ ร, จริงๆแล้วแย่กว่าอีกมันถ้ายังพยายามรักษาอุโบสถศีลได้เนี่ยดีอ่ะมาเริ่มเรื่องปัญจุโสถิกชาดกพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสดท่ามกลางบริสัทสี ท่ามกลางบริษัทสนี่คืออะไรบ้างอุบาสกอุบาสิกาพิกสุพิกสุนีท่ามกลางบริษัทสี่ในธรรมสภาทอดพระเนตรดูบริษัทด้วยพระหารุษไทย อ, อ่อนโยนแล้วตรัสถามว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายพวกเธอพากรรมบรรพมนวัด วัดนิวัตระนะพวกเธอพากรรมบัญเพนรัตแห่งผู้รักษาอุโบสถหรือนะก็มาเห็นพวกพวกที่มามาสถานที่นั้นนะ่ะนะผู้เจ้าท่านก็นเลยถามมาออนี่มาตั้งใจจะมาถือศีลอุโบสถกันหรือคันอุบาสกเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นะก็รับคำกันพระศาสดาตรัสว่าพวกเธอกระทำดีแล้วอันอุโบสถนี้เป็นเชื้อสายแห่งหมู่บัณฑิตแต่ครั้งก่อนที่จริงบัณฑิตแต่ครั้งก่อนพากันอยู่จำอุโบสถเพื่อข่มกิเลสอันมีราคะโทสะโมหะผู้เจ้าท่านก็บอกว่าเนี่ย การถือศีลอุโบสถเนี่ยมันดีแล้วนี่แหละเป็นเชื้อสายนะเป็นเชื้อของบัณฑิตนะบัณฑิตเท่านั้นนะ่ะที่เขาจะมาถือศีลอุโบสถกันถ้าไม่ใช่บัณฑิตแล้วเขาไมมาถือศีลให้เมื่อย ก, กัแล้วนะท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยมีมาแล้วแต่อดีตที่ว่าพวกบัณฑิตเนี่ยเข้ามาถือเพื่ออะไรเพื่อมาลดราคะโทสะโมหะ เมื่ออุบาสกเหล่านั้ น, น, นได้ฟังดังนั้นจึงพากันกราบทูลอาราธนาให้ทรงนำอดีตนิทานนั้นมาเล่าดังต่อไปนี้ น, นี้พระเจ้าท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยบอกว่าอดีตมาเนี่ยบัณฑิตการถือศีลอุบาสกเนี่ยถือว่าเป็นของเป็นเชื้อสายของบัณฑิตยังไงนะท่านก็เริ่มเล่าในอดีตการได้มีสถานที่แห่งหนึ่ง เป็นป่าดงน่ารื่นรมยิ่งนักตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนแห่งแคว้นทั้งสามในที่นั้นเองได้ปรากฏมานบคนหนึ่งซึ่งเกิดจากสกุลพราหมาหาสารในแคว้นมคตได้ละกามทั้งหลายปรีกตนเข้าไปสู่ดงนั้นแล้วสร้างอาสมบวชเป็นลือสีํานักอาศัยอยู่อ๋อนะมีสถานที่แห่งหนึง่งนะ่ะเป็น ดงเป็นป่าเขาสถานที่นี้เยี่ยมมากนะแบบว่าน่ารื่นรมอยู่ระหว่างพรมแดน3มแคว้นมาชนกันไม่รู้นะลักษณะเป็นยังไงถึงได้เป็นที่ตั้งที่ทําให้เป็นพรมแดนของ3มแคว้นได้เสร็จแล้วที่นี้มีมานพคนหนึ่งเกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาลหมายถึงว่าเป็นพราเป็นเป็นยังไงพราหมาหาศาลอ่าเป็นพราหม์ที่ร่ํารวย วันพราหมณ์เนี่ยจนจนก็มีนะเหมือนกับชูชกเนี่ยก็เป็นพราหมณ์แต่ว่ายากจนไม่ค่อยมีเงินทองนะแต่นี่เป็นพราหมมหาสารในในเรื่องนี้พราหมมหาสารนี่ก็คือเป็นเศรษฐีเลยเป็นล่ำรวยหรือบางทีพราหมมหาสารบางคนนี่เป็นเจ้าเมืองด้วยซ้าไปนะตอนนี้ชายหนุ่มคนนี้เกิดในสกุลที่ล่ำรวยใช่แต่กับคิดปฏิบัติธรรมนะ ก็เลยออกบวชเนี่ยไปอยู่ที่ป่าที่ดงเนี่ยนะบวชเป็นลือศีอยู่และในที่ไม่ไกลอาสมก็มีนกพิราบคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้แห่งหนึ่งมีงูอาศัยที่จอมปลวกแห่งหนึ่งที่ละเมะป่าแห่งหนึ่งหมาจิ้งจอกอาศัยอยู่และที่ละเมอะป่าอีกแห่งหนึ่งก็มีหมีอาศัยอยู่ สัตว์ทั้งสี่เหล่านี้ต่างก็เข้าไปหาพระฤาษีฟังธรรมตามการอันเป็นโอกาสแหมเรื่องนะเรื่องเรื่องนิทานชาดกนะมีอะไรบ้างมีนกพิราบคู่หนึ่งมีงูมีมาจิ้งจอกแล้วก็มีหมีหนะสี่นะสี่สัตว์สี่พวกปรากฏว่าสี่พวกนี้ ไ ม, ไม่ไม่กระจอกนะพอถึงเวลาที่เหมาะสมอะไรก็รู้ว่าควรที่จะไปฟังธรรมจากพระฤษีนี่แต่ไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าไปฟังธรรมตามการตามเวลาที่คิดว่าพอเหมาะสมก็ไปฟังนี่เขาเปรียบเทียบนะขนาดสัตว์เนี่ยมันยังอยากจะไปฟังธรรมนะ เขาเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยากจะฟังทำเนี่ยจริงๆมันมันแย่กว่าสัตว์ก็ใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจคําว่าดีรัชฉานไหมพุทธเจ้าท่านตัดบอกว่าน่าเป็นดีรัชฉานอย่างนั้นเป็นดีรัชฉานอย่างนี้ตายแล้วก็จะไปเกิดในนรกหน้หรือว่าไปเกิดเป็นสัตว์ดีรัชฉานจริงๆความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียกคําว่าดีรัชฉานดีรัชฉานเนี่ยหมายความว่า หมายความว่าอะไรเออหมายถึงหมายถึงผู้ที่โง่เขลาผู้ที่ไม่ใส่ใจในการที่จะสแสวงหาธรรมะเนี่ยเรียกว่าพวกที่เป็นดีรชานวันแม้อยู่ในร่างคนก็ตามไม่ต้องอยู่ในร่างหมูหมากาไก่เนีอยู่ในร่างคนก็ตามแต่ถ้าสมมติไม่ใส่ใจไม่สนใจธรรมะไม่สนใจความดีนะไม่ต้องการที่จะ รู้เลยศีลเป็นยังไงธรรมะเป็นยังไงอะไรพวกนี้แหละคือพวกที่พระเจ้าท่านหมายถึงว่าเป็นดีรชานคือพวกนี้โง่เขานะเพอเพอบางคนเป็นอเวนัยสัตว์ด้วยคือเป็นสัตว์ที่สอนไม่ได้เห็นไหมท่านใช้คําว่าเวนยสัตว์กับอเวนัยสัตว์เพราะถ้าเป็นอเวนยสัตวเนี่ยใช่ไหมโอ้พวกนี้สอนไม่ได้แล้วถ้าเป็นเวนัยสัตว์นี่สอนได้รู้เรื่อง มัเหมือนกันคนนี่ก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึง่งประเภทหนึง่งแต่เราเรียกว่าสัตว์ประเสริฐนันที่ท่านใช้คำว่าสัตว์ประเสริฐเนี่ยหมายถึงมนุษย์นั่นเองมนุษย์นี่คือสัตว์ประเสริฐแต่ถ้าคนคนไหนสัตว์ที่เรียกว่าคนเนี่ยนะคนคนไหนเนี่ยไม่มีความประเสริฐไม่มีความดีท่านก็ถือว่าเป็นประเภทดีรฉาน เป็นประเภทดีรัชานไม่ต่างจากหมูหมากาไก่อื่นไม่ต่างกันเลยมัะจริงๆอ่ะมันมันแยกกันที่ตรงนี้นะมันสัตว์ที่ประเสริฐแล้วเนี่ยก็เป็นมนุษย์โสทังนั้นแม้แต่ถ้าเกิดหมูหมากาไก่เนี่ยถ้ามันเกิดฟังทำรู้เรื่องมันเข้าใจธรรมะฟังรู้เรื่องแล้วมันมาถือศีลได้อย่างเงี้ยนั่นแหละเราไม่เรียกว่าเป็นสัตว์ดีรัชานแล้วเราต้องเรียกว่านั่นก็มนุษย์โสดังนัน นั่นก็เป็นสัตว์ประเสริฐเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยเลยชอบเปรียบเทียบเนี่ยบอกว่าไอคนนั้นน่ะเลวจริงๆเลยเลวกับหมาเฝ้าบ้านเขาสิหมาที่เฝ้าบ้านเขายังแสนลูกนะมันยังช่วยเฝ้าบ้านมันยังช่วยเห่ากันขโมยมันช่วยด้วยนี่อะไรต่างๆเนี่ยบางคนเขาก็เลยโอ้โหไปพูดเปรียบเทียบหนักเลยแล้วบางทีมันก็แสนลูกจริง ๆ, ๆด้วยหมาบางตัวนะมันซื่อสัตย์ด้วยมันดีด้วย คนบางค น, น, นยังไม่ซื่อสัตว์เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเขาเอาไปเอาเอาเฉพาะจิตวิญญาณนไปเปรียบใช่ไหมโอโหสัตว์นั้นก็กลายเป็นดีกว่าคนเพราะคนคนนั้นเร็วกว่าเพราะคนคนนั้นนหะจริงๆแล้วเป็นดีรชานแต่สัตว์ตัวนั้นถ้าดีกว่าเนี่ยนะกลับเป็นสัตว์ประเสริฐซะอีกมันกลับกันได้ถ้าสมมติว่ามันมีจริงมันเป็นจริงอย่างนั้นก็ต้องพูดกันตามความเป็นจริง นะตอนนี้สัตว์4 ส, สอย่างเนี่ยก็ปรากฏว่าไฟทำนะถึงเวลาก็ไปฟังธรรมตอนนี้อยู่มาวันหนึ่งนกพิราบคู่นั้นได้ออกจากรังไปหากินด้วยกันบังเอิญมีเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบจับนางนกพิราบซึ่งบินอยู่ด้านหลังเอาไว้ได้ ก็คือบินไปด้วยกันเนี่ยสตัวนะตัวผู้อยู่ข้างหน้าตัวเมียอยู่ข้างหลังปรากฏว่ า, ามีเหยื่อเนี่ยมาโฉบเอานางเหยื่ยวไปเพราะว่าบินอยู่ข้างหลังแล้วเหยี่อเนี้ยก็พาบินหนีไปนกพิราบตัวผู้ได้ยินเสียงร้องของนางนกพิราบนั้นเมื่อเลี้ยวกับมองดูเห็นนางนกพิราบกําลังถูกเหยื่ยวขย่ําอยู่ในกรงเล็บ แล้วก็ฆ่านางนกพิราบทั้งๆ ท, ที่กําลังร้องอยู่นั่นเองจนถึงแก่ความตายแล้วก็จิกกินเสียนกพิราบสุดเศร้าโศกเสียใจเพราะพัดพรากจากนางนกนั้นจึงคิดว่าความรักความคิดถึงทําให้เราลําบากเหลือเกินหากเรายังข่มความรักความคิดถึงไม่ได้แล้วเราจะไม่ขอออกไปหากินอีกเลย เพราะว่าเนี่ยเพราะว่าบินกันออกมาหากินใช่ไหมหมายถึงว่านกพิลาบคู่เนี้ยแล้วก็เลยมาโดนเหยียว l ลากเอานางนกพิลาบไปกินนี่ก็เลยเศร้าโศกเสี ย, ยใจแล้วก็เลยบอกว่าเออเนี่ยที่เศร้าโศกเสี ย, ยใจขนาดนี้ก็เพราะว่าความรักความคิดถึงเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยคิดว่าอา่าก็เพราะว่ากามเนี่นั่นแหละนะ ก็เพราะว่าเรื่องการนั่นเองเรื่องความรักความคิดถึงนี่คือเรื่องของการนะเรื่องของการเนี่ยเรื่องของราคะเนี่ยทําให้ตัวเองเนี่ยอะไรอะ่ะต้องมาทุกข์อย่างนี้เพราะอะไรเพราะนั้นก็เลยแบบว่าคิดขึ้นมาหรือว่าตั้งจิตขึ้นมาว่าเออถ้าตัวเองเนี่ยกำหลาบราคาที่ลงไปไม่ได้แล้วก็จะไม่ไม่ขอกินอาหารอะไรอีกนะหมายถึงว่า ออนต่อนะนี่หมายถึงว่าอย่างนี้นกพิราบจึงไปสู่สำนักพระฤาษีขอสมาทานอุโบสถเพื่อคมราคะอยู่ณที่นั้นนะก็เท่ากับว่าต้องการจะถืออุโบสถเพื่อที่จะคมกิเลสการมราคะของตัวเองเนี่ยลงให้ได้เพระอย่างอุโบสถนี่เขาหมายถึงว่าถือศีล8ใช่ไหมจริงๆแล้วก็ก็ถ้าถ้าเป็นปกติธรรมดาทั่วไปก็ ก็กินมื้อเดียวนะหมายถึงถ้าพูดถึงเรื่องกินคือศีลข้อที่หกเนี่ยก็หมายถึงกินมื้อเดียวแต่นกตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเศร้าโศกเสียใจใช่ไหมก็เลยคิดว่าเออจะกําจัดลาคะให้ได้ซึ่งซึ่งพวกเราก็เคยเคยมีไม่รู้เคยมีใครทํำไหมที่บางทีรู้สึกว่าโอ้โหฟุ้งซ่านเหลือเกินคิดถึงเรื่องกามนะคิดถึงเรื่องเนี่ยเรื่องรักเรื่องใครก็เลยแบบเอาละ แก่โดยวิธีงดไม่กินอาหารมา น, นี้ดูสิมันจะกิเลสมันจะมีแรงดิ้นเป็นขนาดไหนกิเลส ก, กามันนะมันจะดิ้นเป็นขนาดไหนเอาใครเคยทําบ้างครับะอ๋อมีคนทำเขายัางชั่วหน่อย <laughs> ถือว่าไม่เคยมีเอาหรือบางคนกินมากกาเก่า <laughs> แหมไอ้อยางนั้นเขาไม่เรียกว่าถือศีลอุโบสถ <laughs> นะ ไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าประชดนะหรือว่าจองเวรจองกรรมกันอาจจริงๆนะยิ่งเจ้าโศกเสียใจใยิ่งยิ่งแบบว่าอะไรอะ่ะอ๋อลักคนนั้นแล้วเขาไม่สนใจเราเลยก็ไม่ชอบเราเลยใช่ไหมเอาเลยแก้แค้นนะกินมันให้ให้พุงกลางเลยก็แล้วกันอะไรนะหนักกว่าเดิมไอ้อย่างเงินมันมันไม่ใช่วิธีแก้ที่แท้จริงนะมันเป็นวิธีที่ ยิ่งไปเพิ่มเพราะความจริงแล้วคนที่เสียใจเพราะความรักก็เพราะว่าไม่ได้สมใจในะในสิ่งที่รักมันเลยเป็นทุกข์มันเลยถึงได้มาเศร้าโศกเสียใจก็เพราะว่าน่าจะรู้สิว่าเพราะความที่ตัวเองเนี่ยไปโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่ต่างหากถึงได้ทุกข์อย่างนี้เพราะต้องการได้มาถึงได้ทุกข์เพราะันจริงๆแล้วต้องหัดลดต้องหัดอดหัดไม่ได้ใชมัหงแล้วก็ เออไม่ทุกได้เพราะฉะนั้นคนนี้เ่ยวันหลังเนี่่เกิดเออไปรักใครไปชอบใ ค, ใครขึ้นมานะแล้วก็ไม่สมใจเนี่ยคนนี้ไม่ทุกข์ไม่เสียใจเพราะว่าได้ฝึกละได้ฝึกการที่หัดอดหัดงดมั่งไม่ต้องไปกินอะไรสมใจไม่ต้องไปชอบไอ้นายไอ้นี่มันสมใจนะก็สามารถที่จะเออมีชีวิตอยู่ไปได้โดยที่ไม่เห็นจาต้องไปทุกข์ไปเสียใจไปเศร้าโศกอะไรมันกันตักกันก น, นา คนคนนี้ฝึกขึ้นมาว่าหลังไปเจอของจริงเข้าก็ทนได้เพราะได้ได้ฝึกปรือมาแต่คนเนี่ยยิ่งยิ่งพอมีปัญหาอย่างนี้ยิ่งเอาใหญ่เลยไปเอาตัวอื่นมาแทนที่มันไม่สมใจเรื่องคนนี้ใช่ไหมเอาเอาเรื่องกินมาแทนที่เอาเรื่องนอนมาแทนที่เอาเรื่องแต่งตัวมาแทนที่นะอะไรอย่างเงี้ยคือเอามาให้มันสมใจเอาความสมใจอ่ะจากเรื่องอื่นมาแทนที่ ก็ยังเป็นคนที่จะต้องสมใจอยู่เรื่อยถึงจะสุขได้ใช่ไหมเพราะเมื่อไหร่เจอไม่สมใจก็ทุกข์อีกเมื่อนั้นมันแก้ปัญหาไม่ตกสักทีเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องฝึกนะอันนี้นกพิราบนี่ก็เลยเอาละก็เลยฝึกก็เลยไปที่อาสมนะฝึกที่จะถือศีลอุเบกเพื่อที่จะข่มราคาของตัวเองให้ได้อันนี้กล่าวถึงงูก็ออกจากที่อยู่ เที่ยวแสวงหาเหยื่อกินไปจนถึงบ้านชายแดนบ้านชายเขตแดนครั้งนั้นมีโคตัวหนึ่งเป็นโคมงคลขาวปลอดของนายอำเภอกินหญ้าอยู่ที่เชิงจอมปลวกแล้วเอาเขาผีดดินเล่นอยู่ขณะนั้นเองงูก็เลื้อยไปเพื่อเข้าจอมปลวกนั้นพอดีกับโคนั้นก้าวเท้าเหยียบถูกงูเข้างูจึงโกรธจัด ตรงเข้าฉกกัดโคจนถึงสิ้นชีวิตตรงนั้นเองพวกชาวบ้านได้ยินข่าวว่าโคมงคลตายแล้วทุกคนพากันมารวมรวมตัวกันเข้าร้องไหนะ้คิดถึงนั่นเองนะร้องหม่มร้องไห้บูชาโครตัวนั้นด้วยของหอมและดอกไม้มากมายและช่วยกันขุดหลุมฝังแล้วจึงค่อยหลีกไป เมื่อพวกนั้นพากันกลับแล้วงูก็เลื้อยออกจากที่จอมปลวกแล้วคิดว่าเราเพียงเพราะความโกรธก็ฆ่าโคตัวนั้นเสียทำให้มหาชนพากันเศร้าโศกฉะนั้นหากเราไม่สามารถข่มความโกรนี้ได้ก็จะไม่ออกหากินอีกเลยแล้วก็ตรงไปสู่อาสมของพระฤาษีสมาทานอุโบสถเพื่อข่มความโกรธให้สำเร็จ ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่างูเนี่ยเป็นมุมตรงข้ามแทนที่จะเป็นเรื่องราคาคราวนี้เป็นเรื่องโทสะไปเจออะไรไม่สมใจเข้านะก็โกรธเจออะไรไม่สมใจก็โกรธคราวนี้โดนวัววัวเหยียบเอาเข้าใช่ไหมก็ไม่รู้นะเหยียบหัวเหยียบหางเหยียบกลางตลอดตัวไม่รู้ว่าเหยียบตรงไหนเขาไม่จะบอกนะแต่ว่าโดนเหยียบเข้าอ่ะนะเหมือนเราบางคนเนี่ยก็ไม่รู้แหละ บางทีก็โดนเหยียบหัวโดนเหยียบหางโดนเหยียบกลางตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็โกรธนะใครมาพูดอะไรนิดอะไรหน่อยบางทีโกรธ ถ, ถ้าพูดไรนิดอะไรหน่อยนี่หมายถึงว่าเหยียบหางนะเหยียบหางนี่แค่นิดหน่อยแต่ก็โกรธแล้นะต่อรอ้อต่อเถียงหรือว่าอะไรแต่นี่งูนี่กัดเขาตายเลยนะตอนนี้วัวตัวนี้ไม่ใช่วัวธรรมดาไงเป็นวัวที่ อะไรอะ่ะเขาถือว่าเป็นบัวมงคลนะอย่างอินเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็นบัวศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้มันเขายิ่งโอ้โหเศร้าโศกเสียใจกันใหญ่เลยแต่ที่งูก็เลยมาเสียใจเหมือนกันว่าโอ้ไม่น่าเลยเราทําให้คนในหมู่บ้านจังเยอะทังแยะต้องมาเศร้าโศกนะก็เลยพูดง่ายว่าสํานึกว่าเออความโกรธของเราเนี่ยมันทําไมมันทําให้ไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันมากมายขนาดนี้ก็เลยไปที่อาสมไป ตั้งจิตว่าจะถืออุโบสถนะถ้าถือลดลดโทสะของตัวเองลงไปไม่ได้แล้วก็ไม่กินนะวันนี้งดจะไม่กินถ้าวันนี้ถือศีลอุโบสถก็คือวันนี้งดไม่กินดูนะตั้งแต่นกพิราบอ่ะเหตุเกิดจากเรื่องกินใช่ไหมก็ไปสแสวงหากินสัตว์นี่ก็เหมือนกันงูนี่ก็ไปจริงๆจะไปหาเหยื่อกินเหมือนกันแต่ไปเจอเอาเอาวัวเข้า อันจริงๆเนี่ยชีวิตคนเรานะหรือแม้แต่สัตว์ทั่วไปสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องกินไม่ได้เรียนก็ไม่ตายใช่ไหมไม่ได้ที่ไม่มีที่หลับนอนสักเท่าไหร่ก็ยังไม่ตา ย, ยัหาไม่ยากหรอกไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ยังไม่ตายแต่ไม่มีกินตายเพราะนั้นสัตว์ในโลกทุกยูนิต ประเด็นหลักสำคัญหลักใหญ่ก็คือต้องมีกินเพราะไม่มีกินตายแน่นอนอ น, นกพิราบเนี่ยไปสแสวงหากินงูไปสแสวงหากินแต่ถึงกับกล้าคิดดูนะนี่ดูนะว่าถึงกับกล้าว่าเออถ้าลถนกพิราบ ล, ลดราคาไม่ได้ถ้างูลดโธษ่าไม่ได้จะไม่กินคิดดูว่ากล้าขนาดไหนทั้งทั้งที่เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่บอกแลถ้าไม่กินตายนะ แต่นี่ถึงกับโอ้โหต้องการจะลดกิเลส ต, ตัวเองต้องการลดราคะตัวเองต้องการลดโทสะตัวเองกลับถึงกล้าว่าถ้าทำไม้สำเร็จไม่ต้องกินอดกินวันนี้ต้องเป็นคนที่กล้ามากถ้าไม่กล้ามากนี่ไม่กล้าที่จะตั้งจิตอย่างนี้อันนี้ให้ง่ายคิดพวกเรานะมันพวกเราเนี่ยอยากคิดว่าบางทีจะเอาชนะกิเลสเราเองง่ายๆโดยที่แม้ตั้งจิต ตั้งกระจึงเดียวนะตั้งนิดเดียวหน่อยตั้งแบบว่าแมได้ อ, ไรอร่อยอร่อยหลายๆอย่างไว้ก่อนนะ <c oughs> คือมันมันเสียเสียดายอยู่อย่างเงี้ยน่จะสู้กับอะไรอะ่ะถอยหน้าถอยหลังถอยหน้ า, ถ อ, นาถอยหลังน่จะชค ก, ก็ไม่กลาชกจะตีก็ไม่กลาตีเงื้อง่าทำแอคชั่นถ่ายรูปเอไว้เลยนะไม่ไม่กล้าทุบไม่กล้าตีลงไปที่ทีมันมันก็แก้ไม่ได้ นะกิเลสมันก็แก้ไม่สําเร็จสักทีว่าบางทีมันต้องกล้าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยยิ่งเป็นสักกายาของเราเป็นกิเลสตัวชัดๆแจ้งๆเรารู้เลยถ้าเป็นราคะจัดๆโอ้โหลรักคนนี้มากเลยเราชอบคนนี้มากเลยแล้วมันต้องตัดใจเลยอย่างผู้เจ้าท่านบอกไม่ต้องไปเจอไม่ต้องไปพูดคุยด้วยไม่ต้องไปเห็นนะเอาให้มันถึงพิถึ ง, ถงขิงเลยดูสิมันจะตายไหมนะไอ้นี่อร่อยนะักโอ้โห ชอบกินมาสิบกว่าปีหรือชอบกินมาจนกระทั่งหัวงอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นปลาล่าปลาเข็มปลาเจ้าวอะไรก็แล้วแต่นะก็คิดดูแล้วกันนะเราก็โอ้โหมันยิ่งต้องสู้ก็ให้หนักนะมันยิ่งต้องเอาให้ถึงที่สุดมันถึงจะมีแรงพอที่จะไปต้านแรงพอที่จะไปไปแก้กิเลสเราได้ไม่งั้นมันแก้ไม่ตกหรอกนะมันต้องเอาจริงพ่อท่านเนี่ย ถึงได้พูดเสมอว่าต้องเอาจริงถ้าไม่เอาจริงแล้วแก้ไม่สาเร็จหรอกอันนี้ลายต่อไปฝ่ายม้าจริงจอกเที่ยวแสวงหาอาหารเจอช้างตายตัวหนึ่งเข้านึกดีใจเราได้เหยื่อชิ้นใหญ่แล้วโอ้โหน่ากินหรือเปล่าเจอช้างตายเอามันน่ากินตรงตัวมันใหญ่เดียใช่ไหมโอ้โหลาบลาบปากเหมือนกันนะ เพราะอะไรส่วนมากสว่ากิ้งจอกเนี่ยไปล่าก็ล่าอะไรล่าสาัตว์เล็กสัตว์น้อยเท่านั้นเองใช่ไหมนี่โอ้โหเจอช้างตายทั้งตัวเลยก็นึกดีใจสิโอ้โหอาหารกองเบ่มเทมเลยอยู่ข้างหน้าดีใจก็เลยจึงรีบวิ่งเข้าไปกัดที่งวงช้างทันทีอ้าก็ไปกัดขาช้างมันจะ ไ, ไหวเหรอใช่ไหมก็เห็นแล้วไอ้ที่น่าจะกัดที่สุดตอนนี้ก็คืองวงช้างรีบเข้าไปกัดเลย แต่จริงๆแล้วหนังช้างมันเป็นยังไงเออหนังมันหนาหนังมันหยาบนะหนังช้างเนี่ยพอไปกัดที่งวงช้างก็มีความรู้สึกเหมือนกับกัดท่อนเสานะไม่สวรรค์มเลยโอ้โหนึกอร่อยอย่างดีเลยนะเต็มที่เลยไปขมั่มเข้าเสร็จโอ้โห อ, อยัง ก, กัดท่อนเสาเลยจึงไม่ชอบใจก็ย้ายไปกัดที่ท้องช้างช้างมันตัวใหญ่ใช่ไหม ไปกัดที่ท้องช้างมันเหมือนกับไปกัดอะไรนะย้ายไปกัดที่ช้องช้างแต่ก็เหมือนกับกัดกระด้งนี่เข้าใจกระด้งไหมเออมันกว้างไงเรามันกว้างมันใหญ่ก็ท้องช้างสมมุติว่าเหมือนกําแพงอย่างเงี้ยโอโทเอาปากเข้าไปงับกําแพงอ่ะเออมันจะเป็นยังไงอ่ะมันมันมันกัดเข้ายากอ่ะก็คิดดูสิปากปากของซุนนาไงใช่ไหมอ่า กัดมันก็ชนชมเอกชนขอบปากอ่ะมันกัดยากนกัดลําบากเพราะฉนั้นก็เลยโอ้โหยังไงไปเหมือนกับไปกัดกระด้งกระด้งบานบานอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ไม่ไหวอีกอ่ะแต่จริงๆแล้วที่ท้องกับที่ที่ที่ผิวผิวช้างเนี่ยนะท้องช้างเนี่ยมันต้องอะไรเออมันต้องนิ่มกว่านะแต่มันนิ่มกว่าก็จริงอ่ะแต่มันมันอะไรอ่ะมัน ขึงกว้างอยู่อ่ะก็เลยกัดลำบากอีกเหมือนกันแต่นี้พอกัดลำบากจึงหันไปกัดหางผ่านไปกัดหางช้างนะก็รู้สึกราวกับกัดสากแหมช่างเปรียกจังเลยนะกัดท้องไม่สำเร็จใช่ไหมเหมือนกับเหมือนกับไปกัดกระด้งก็เลยเอาแล้วะเหลือแต่หางเนี่ยแหละเพราะนั้นหางมันเล็กหน่อยใช่ไหม ก็คงจะหัดได้สบายแล้ะแต่ปรากฏว่าพอไปกัดหางช้างอ่ะหางมันก็แข็งอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับกัดสากสากกระเบื้อนั่นเองนะเหมือนกับไปกัดสากครับสุดท้ายมันไม่เข้าท่านะกัดสากก็ไม่เข้าท่าสุดท้ายจึงปีเข้าไปกัดช่องทวารหนักของช้างหมดที่แล้วนี่ใช่ไหมไปกัดตัวมันก็ไม่ไว้อีกอะมันก็เหมือนกับกัดท้องช้างอ่ะก็เป็นกระด้งอีก่ใช่ไ คราวนี้ก็ไปกัดที่ทวารหนักทําไมอ่ะทําไมไปกัดที่ทวารหนักเออเพราะว่ามันอ่อนที่สุดแล้วเหมือนกับบางคนเน่ยนะเวลาไก่ย่างมาเนี่ยนะชอบที่สุดเลยนะไอ้ตรงก้นช้างเ อ, อ้มันย่า่ก้นก้นไก่เนี่ยนะ อ, อภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตูดไก่ชอบจังอาจริงๆนะบางคนเขาโอ้โหชอบมากเลย มาเนี่ยนะรีบเฉือนไ่ก่อนเลยนะส่วนนี้เก็บไปก่อนเลยเอิมก็แปลกอไหนในที่นี้ใครเคยกินบ้างเนี่ยเอาถามดูสิเออมันเป็นยังไงทาไมเขาถึงชอบอยากจะสงสัยเพราะอาตมาไม่เคยกินมันนิ่มกว่าที่อื่นมันนิ่มยังไงอระมันมันมันมันเหรอมันมันมันดี เหมือนก้อนมันก็เหมือนไขมันสิทั้งนั้นแล้วมันอร่อยเหรอแล้วเออเอาเอจินตนาการไม่ออกเพราะไม่เคยกินเอาแล้วแต่รู้ว่ามันอร่อยกันแล้วกันเออก็แปลกนันแล้วแต่นะจลิตแล้วแต่เวรกรรมแล้วแต่เวรกรรมที่ใครใครไปสะสมมาว่าจะไปติดใจส่วนไหนนะเออ อาตอนนี้เนี่ยสุดท้ายก็ปีเข้ากัดที่ช่องทวารหนักของช้างคราวนี้เหมือนกับได้กัดกินก้อนขนมหวานแม่นเปรียบไ้อย่างนั้นเลยนะ